ว่าด้วยการใช้จ่ายทรัพย์ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงเหตุผลในการที่จะมีทรัพย์หรือประโยชน์ที่ควรถือเอาจากทรัพย์สมบัติก่อนาถาบินทิกาข้ารหาบดีโดยตรัสให้เหมาะกับสภาพสังคมสมัยนั้นพึงพิจารณาจับเอาสาระถะตามสมควรดังต่อไปนี้ดูก่อนข้าหบดี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 ให้เป็นสุขเอิบอิ่มเอาใจใส่ดูแลให้เป็นสุขโดยชอบนี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะข้อที่หนึ่งอีกประการหนึ่งโดยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมอริยสาวกย่อมเลี้ยงมิสหายและผู้ร่วมกิจการงานทั้งหลายให้เป็นสุขให้เอิบอิ่มเอาใจใส่ดูแลให้เป็นสุขโดยชอบ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 อีกประการหนึ่งด้วยโภคาที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมอริยาสาวกย่อมกระทำผลีห้าอย่างคือญาติพลีสงเคราะห์ญาติอิติทิพลีต้อนรับแขกอุเปเพเตตาภลีทำบุญอุทิศผู้ล่วงลับราชพลีบำรุงราชการเทวตาภลีถวายเทวดา หรือบำรุงศาสนานี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะข้อที่สอีกประการหนึ่งโดยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมอริยส า, าวกยอมประดิษฐานทักขินาอันส่งผลสูงอันอำนวยอารมณ์ดีงามมีผลเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์ในสมณพราหมณ์ทั้งหลาย เว้นจะความมัวเมาประมาทตั้งอยู่ในขันติโสระจารซึ่งฝึกฝนตนเองทำตนเองให้สงบทำตนเองให้หายร้อนกิเลสได้นี่คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโพคะข้อที่ห้าเครหะบดีประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโพคะมีห้าประการเหล่านี้แหลถ้ามืออริยส า, าวกนั้นถือเอาอยู่ซึ่งประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโพคะห้าประการเหล่านี้ โภคศัพ์หมดสิ้นไปเขายอมมีความคิดอย่างนี้ว่าอันใดเป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคาประโยชน์เหล่านั้นเราก็ถือเอาแล้วและโภคาของเราก็หมดสิ้นไปโดยในยยานี้อริยาสาวกนั้นก็ไม่มีความเดือดร้อนใจและหากว่าเมือ่อริยาสาวกนั้นถือเอาอยู่ซึ่งประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะหประการเหล่านี้ พกกระซับเพิ่มพูนขึ้นเขาย่อมมีความคิดว่าอันใดเป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโพคะประโยชน์เหล่านั้นเราก็ถือเอาแล้วและโภคะของเราก็เพิ่มพูนยิ่งขึ้นโดยในย่านนี้อริยสาวกนั้นก็ไม่มีความเดือดร้อนใจเป็นอันไม่มีความเดือดร้อนใจทั้งสองกรณี